ใกล้เที่ยงช้างพาหนะเริ่มนำหลอนเลาะลงริมเหวลึกและเลียบไปใกล้าสายทานน้ำตกเล็กๆอันหลอนไม่แน่ใจว่ามันจะเป็ น, ขนแขนงของกิ่งน้ำตกย่อยที่แยกมาจากสายใหญ่ซึ่งหลอนเคยไปพักอยู่ก่อนที่จะเกิดอุปัตวเหตุน้ำพัดกระหน่ำลงมาเมื่อคืนวานซืนหรือไม่แล้วโคจษสารงาดำก็แวะเข้าสู่ตีเนินอันร่มรื่นแห่งหนึ่ง สุดกายหมอบลงเหมือนจะให้หล่อนพักชั่วขณะดารินไตลงจากคอของมันก็พบว่ามีหัวเผือกและมันป่าบางชนิดถูกนํามากองไว้ให้แล้วกองใหญ่หล่อนเข้าไปพิจารณาอย่างแปลกใจนั่นแปลว่ามีการจัดเตรียมเสเบียงไว้ให้สําหรับหลอนเพื่อประทังชีพระหว่างเดินทางอันยาวไกลช้างป่าทั้งสามตัว หยุดรอคอยบนเวียนอยู่ในละแว็บนั้นเจ้า ต, ตัวงาดำใช้งวงของมันดุลหลังหล่อนเบาๆเพื่อให้เข้าไปยังตำแหน่งที่มีร่องรอยนำเอาผลหมากรากไม้ซึ่งไม่เป็นที่ปรากฏชัดว่าผู้ใดไ ด, ได้นำมาวางเตรียมไว้ให้สุดๆร้อนๆนั้นหล่อนพยายามสอดสายตาแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรแล้วก็หัวรเราะออกมาเบาๆอย่างเข้าใจ จัดการหากิ่งไม้แห้งอันมีอยู่อุดมสมบูรณ์มาสุงก่อเป็นกองไฟขึ้นพอลุกโชนก็โยนหัวเผือกมันเหล่านั้นเข้าไปเผาพร้อมทางนั่งพักโดยพยายามปรับอารมณ์ทำตัวเข้ากับบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุดพอมันสุกก็เคี่ยออกมาทิ้งให้เหลือเพียงอุ่นๆแล้วปอกเปลือกกิน ซึ่งมันก็เป็นอาหารประทังชีพที่วิเศษสุดและปริมาณของมันที่ถูกนำมากองไว้อันหล่อนโยนเข้าไปเผาสุกในกองไฟถ้าหากจะเก็บติดตัวไปด้วยก็จะเป็นสเสบียงกันตายไปได้อีกไม่น้อยกว่าสองวันส่วนใหญ่เป็นพวกมันมือเสือดินโป่งพอถูกความร้อนจากกองไฟที่ก่อก็ขึ้นเป็นขี้เกลือขาวไปหมด รอบๆ บ, บริเวณใกล้เคียงก็ได้อาศัยรถเค็มจากขี้เกลือปนดินเหล่านั้นเพิ่มรสชาติให้กับมันเผาน้ำนะไม่ต้องคำนึงถึงเพราะนอกจากในกระบอกไม้ไผ่ที่หล่อนนำติดตัวมาด้วยตำแหน่งที่ลงจากคอช้างมานั่งพักกินอาหารก็มีสายทา น, น้าใสไหลผ่านแก่งหินพอกินเสร็จหล่อนก็ถอดเสื้อผ้าออกจนหมดสิน้น ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระดาษอายอะไรกับไอช้างพลายผู้ทาหน้าที่เป็นผู้คุมและกาดป้องกันของหล่อนเหล่านั้นเดินลงไปแช่น้ำอย่างสบายใจคงถือปืนสั้นกระบอกเดียวที่มีอยู่เอาไปไว้ใกล้ๆมือตรงโขดหินที่โผล่ออกมาเหนือน้ำแล้วก็อดยิ้มออกมาไม่ได้เมื่อเห็นเจ้าตัวหนึง่งเดินเข้ามาหยุดยืนคุ้มเชิงอยู่ที่เสื้อผ้า อันหล่อนถอดออกกองไว้หล่อนรู้ว่ามันไม่คิดว่าหล่อนจะฉวยโอกาสหนีเพราะย่อมหนีไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็คงจะมายืนคุมเชิงช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าพวกลิงที่ไต่ยัวเยี้ยอยู่ตามคาคบใต้ธาร น, น้ํามาดอดฉวยขโมยไปในระหว่างที่หล่อนลงไปอาบน้ําดีเฝ้าไว้ดีนะใยเสื้อผ้าของก็หายไปแม้แต่ชิ้นเดียวใช่ละ ดารินร้องบอกด้วยเสียงใสมาปนหัวเราะเบาๆเหมือนกับว่ามันเป็นมิตรสนิทที่สุดและมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นสำหรับภาวะเช่นที่หล่อนกำลังเป็นอยู่เช่นขณะ น, นี้ไม่มีใครจะพูดคุยด้วยหล่อนก็ตะโกนคุยกับเจ้าช้างสามตัวนั่นนี่พวกเจ้าเป็นช้างที่ถูกอำนาจมนเขาจะสารของมันไตรเข้าบงการ ให้กระทําการร้ายกับพวกเรามาตลอดและพวกเจ้าก็ถูกฝ่ายเราฆ่าตายมาสนักก็ น, นักแล้วต่อไปนี้ขออย่าให้มีเวรภัยอย่างไดต่อกันเลยนะเพราะโดยแท้จริงแล้วเจ้าก็คือสัตว์ป่าธรรมดานั่นเองหากไม่ถูกอำนาจมน์มืดบังคับอะล่ะข้าขอตั้งปฏิทานไว้ว่าต่อา น, นี้ไปข้าจะไม่ทำร้ายพวกเจ้าอีกแล้วถ้าเจ้าอยู่ตามประสาช้างป่าธรรมดา และสักวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วหวังว่าพวกเจ้าคงจะพ้นเวรกรรมจากการต้องมนต์สะกดของมันารเราเป็นสัตว์ร่วมโลกเดียวกันมีเลือดมีเนื้ออย่างเดียวกันแต่มันไรสิไม่ได้มีอะไรเหมือนพวกเราสักอย่างมีก็แต่ดวงวิญญาณร้ายมุ่งมากอาฆาตจองเวรไม่รู้จบคขจะสารใหญ่ทั้งสามเชือก ไม่แสดงอาการสนใจหรือยิงยนต่อวาจาของหล่อนดวงตาของมันจ้องมองมายังหล่อนอย่างเฉยเมยนั่นส่อชัดว่ามันยังตกอยู่ในอำนาจมนของมันไรทุกขณะและจะปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างสุดแต่คำบงการของไอจอมผีดิบเท่านั้นหญิงสาวพินิ์ดูมันอยู่ตลอดเวลา ขณะที่นอนแชร่รับความชุ่มชําอยู่ในทา น, น้ำหล่อนไม่มีอะไรจะต้องรีบร้อนทุรนทุรายใจอะไรอีกแล้วและจะปฏิบัติตัวตามสบายของหล่อนเสมือนตนเองอยู่ในความดูแลของบริวารผู้พักดีเกือบชั่วโมงเต็มเต็มที่ดารินสะสนานขัดสีชวีวันชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดที่สุด โดยไม่ยอมถอดสร้อยพระเครื่องออกจากคออาบให้สาสมกับที่ได้กลากรมหนักมาตลอดทั้งวันวานโดยไม่พบกับ น, น้ำอาบเลยพวกมันทั้งสามตัวก็ยังคงเดินวนเวียนแช่มช้าทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์และรอคอยอยู่เช่นนั้นสิ่งที่ดารินตั้งข้อสังเกตไว้ก็คือเจ้าช้างทั้งสาม ไม่ได้แสดงว่าจะต้องการอาหารหรือน้ำเลยซึ่งผิดวิสัยของสัตว์ตามปกติทั่วๆไปและปราศจากสภาพอันเป็นตัวของตัวเองโดยสิ้นเชิงกิติยาอาคมของมันไรยิ่งใหญ่นักมันสามารถจะสะกดเรียกใช้ช้างป่าทุกตัวให้มาเป็นบริวารเพื่อช่วงใช้ได้จนถึงขนาดเกณมาเป็นกองทับช้างเปิดศึกกฝ่ายหลอน และฝ่ายของระพินได้ทุกขณะและเมื่อถูกปืนจะพวกช้างที่ต้องมนสกุลเหล่านี้ก็ต้องล้มตายลงก่ายกองตัวแล้วตัวเล่าแทบจะนับไม่ถ้วนแต่มันก็หมายถึงว่าพวกของหล่อนหรือฝ่ายระพินอาจเคลี่ยงพล้ําพินาศลงเมื่อใดก็ย่อมได้ตรากใดก็ตามที่มันสามารถเรียกเอาช้างทุกตัวในป่ามาใช้เป็นทากให้บุกทะลวง โจมตีโดยปราศจากความเกรงกลัวได้เช่นนี้ก็คงจะเหลือไว้เฉพาะเจ้าด้วนของหล่อนตัวเดียวกระมังที่มนต์มืดของมันไม่สามารถเข้าครอบงำสั่งการได้อันเนื่องมาจากอํานาจพระพุทธคุณจากพระเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่หล่อนอันเชิญขึ้นคล้องคอเจ้าด้วนไว้ทว่าจากการสูญหายไปอย่างปราศจากร่องรอยของเจ้าด้วนจนกระทั่งบัดนี้ หล่อนเองก็บังเกิดความไม่แน่ใจซะแล้วว่ามันไรอาจใช้กลอุบายอย่างใดกำจัดทําลายล้างช้างคู่บารมีของหล่อนไปแล้วก็ได้เพราะหล่อนเชื่อมั่นว่าถ้าแม้ว่ามันยังปลอดภัยเรียบร้อยดีเจ้าด้วนจะต้องดันดนติตามาให้การช่วยเหลือหล่อนอย่างไม่ต้องสงสัยแต่นี่มันหายจ้อยไปเลยอย่างลึกลับน่าระแวง แค่มชื่นเพียงพอกับการอาบนา้ํานดารินบาราริทก็ก้าวขึ้นมาสู่การเป็นเฉลยในการควบคุมของช้างผีสิงทั้งสามตัวอีกครั้งอย่างไม่ประสมจะหลีกเลี่ยงหล่อนใช้ผ้าขนหนูที่มีติดตัวอยู่จุมสักน้ำจนสะอาดบิดให้แห้งหมาดและเช็ดร่างกายจนหมดจากหยดน้ำที่เกาะพราวอยู่สวมเสื้อผ้าชุดเดิมที่มีติดกายอยู่ชุดเดียว แล้วก็ก้าวขึ้นคอเจ้างาดาอีกครั้งซึ่งมันก็เข้ามาหมอบรอรับอยู่แล้วนำหล่อนออกเดินทางต่ออนาคตอยู่ที่ไหนหล่อนไม่ทราบค่ำนี้หล่อนจะมีโอกาสได้พักนอนที่ไหนหรือมันจะนำหล่อนออกเดินไปทั้งคืนก็เหลือที่จะคาดคะเนดได้เพราะไม่สามารถจะพูดกับพวกมันได้รู้เรื่อง สเสบียงสำรองอันเป็นเปือกมันที่เผาสุกแล้วหล่อนไม่ลืมห่อใส่ใบบอรผูกมัดด้วยเถาวันเล็กๆอย่างแน่นหนานํเติดตัวไปด้วยเพราะยังไม่แน่ใจว่าในเส้นทางข้างหน้าจะมีอาหารรอคอยไว้ให้หล่อนอีกหรือไม่และหล่อนก็ไม่ประสงค์จะใช้กระสุนปืนที่มีเหลือติดตัวอยู่เป็นเครื่องล่าชีวิตสัตว์ใดมาเพื่อประทังชีพตนเองโดยไม่จาเป็น การได้พืชหรือพลาเผือกผลมันพการได้พืชหรือพลาผลเผือกมันมาเป็นอาหารโดยไม่ต้องเบียดเบียนชีวิตสัตว์เป็นสิ่งที่หล่อนพอใจที่สุดแล้วจะอย่างไรซะหล่อนก็ยังไม่ถึงกระสิ้นไรอับจนจนเกินไปนักมันไกรยังต้องการให้หล่อนมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปเพื่อเดินทางเข้าสู่จุดหมายที่มันกำหนดไว้ เส้นทางเดินของช้างงาดําที่นำหลอนบุกบันไปตามลําดับนั้นดารินสํานึกได้ว่ามันบ่ายหน้าลงแผ่นดินที่ต่าลงไปทุกขณะแผ่นดินซึ่งมีลักษณะอันบอกได้ว่ามันได้ถล่มยุบลงไปจากสภาพเดิมอันเนื่องมาจากเกิดแผ่นดินไหวหรือการเคลื่อนตัวเปลี่ยนแปลงของผิวโลกอย่างใดอย่างหนึง่ง เว่ามันก็คงจะเป็นเวลายาวนานมาแล้วก้อนหินใหญ่น้อยแม้แต่ขุนเขาอันมองเห็นเป็นหินล้วนๆบางส่วนริมทางผ่านดูมันเอียงกระเทเร่มีรอยปริร้าวยังไงพิกลแม้ว่ามันจะถูกขึ้นบทบางไว้ด้วยต้นไม้อายุนับร้อยนับพันปีที่โผล่งอกแซมขึ้นมาทำให้แลดูเป็นป่าในที่หลม่ม น้ำที่พุ่งสูงขึ้นจากแอ่งบางส่วนเป็นสายน้ำํำพุร้อนราวกับ น, น้ําเดือดส่งควันเป็นหมอกมัวไปทั่วอาณาบริเวณและมีระดับที่พุ่งขึ้นสูงหกเจวาภูมิประเทศที่ผ่านพบไปตามลําดับเหล่านี้ดูจะแปลกตาไปกว่าการเดินผ่านมา ก, กับประพินในครั้งก่อนแสดงว่าในครั้งนั้นหล่อนไม่เคยผ่านบริเวณใกล้เคียงกระแถบนี้ มาก่อนเลยสิ่งที่ราชสกุลสาวไม่เคยลืมก็คือตัดลิตกิ่งไม้ริมทางผ่านทิ้งไว้เป็นระยะระยะไปเพื่อทำร่องรอยไว้หล่อนอาจจะไม่มีโอกาสได้มีชีวิตรอดออกมาสู่โลกภายนอกหรือพบปะกับใครในโลกนี้อีกแล้วก็ตา่างแต่ก็จะขอทิ้งหลักฐานเหล่านี้ไว้ให้ปรากฏ แม้จะไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยก็ช่างก็กเวลาที่หล่อนกําลังผ่านบริเวณ น, น้ำํำพุร้อนแห่งนี้แหละมันเพิ่งจะเป็นเวลาเดียวกับที่คณะของพี่ชายเพิ่งจะผ่านเข้ามายังบริเวณดงกล้วยป่าก่อนจะติดตามขึ้นไปพบแหล่งพักนอนของหล่อนในป่าหินด้านบนของราตรีที่ผ่านมา ส่วนทางด้านของระพินทร์ไทยวันมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่เกิดเสยและบุญคำอันเป็นชุดสุดท้ายในจำนวนเก้าคนที่เพิ่งจะหย่อนตัวตามคณะเจ้านายลงไปยังช่องโพรงรอยแยกอันจะเป็นทางนำลงสู่มหาสุสานของราชวงศ์มหิติเดชะแห่งนิทรานครโดยทั้งหมดได้มายืนรวมกันอยู่ยังชานพัก ของบันไดชั้นแรกทั้งสามฝ่ายต่างแยกกันอยู่คนละทิศและตกอยู่ในสถานภาพที่แตกต่างกันออกไปดังเหตุการณ์ได้บรรยายมาแล้วฉะนี้เบืยอใต้คบเพลิงแบบรานพื้นเมืองที่ถือชูสูงอยู่เหนือสีสันเจอมักคุเทศนำคณะนายจ้างทั้งหมดเดินลงมาตามแผ่นบันไดหิน อันตละขั้นมีขนาดกว้างใหญ่นั้นทีละเก้าร่องรอยของการสุดหักแตกร้าวปริแยกมีให้เห็นอยู่ทั่วทั่วไปเบื้องหน้าของเขาคือความมืดมิดองศาที่บันไดหินทอดลงไปนั้นในช่วงแรกนี้อาจเดินสะดวกอยู่บ้างเพราะเฉียงลาดในมุมประมาณ35องศา แถวแรกที่เดินเรียงตามเขาลงมากระจายเป็นหน้ากระดานคือนายจ้างอเมริกันทั้งสี่และเชิดบุตรส่วนแถวถัดไปเป็นเกิดและเสยส่วนตาเท่าบุญคำถือใต้อีกดุล น, นึงคุมมาทางเบื้องหลังตามหลักการที่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วโดยไม่ต้องนัดแนะซักซ้อมอะไรทั้งสิน้นบัดใดแต่ละขั้นที่ต่างค่อยๆก้าวลงไปนั้น ขนาดของมันกว้างจนต้องเดินเหยียบไปเบื้องหน้าซะก่อนสองเก้ายาวๆก่อนจะเหยียบลงสู่ขั้นที่สองและขั้นถัดๆไปร่างของจอมพรานเป็นเงาตะคุ่มดูกแกร่งทมึนเหมือนท่อนหินหรือมิฉนั้นก็เหมือนเหมือนกับเจ้าพวกผีดิบที่ทุกคนคุ้นเคยดีมาแล้วเก้านําลงไปเป็นลาดับฝีเท้าของเขาเบามาก แลดูเชื่องช้าแต่แน่ละปราดเปรียวเหมือนอาการย่างของเสือซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะเคลื่อนไหวได้อย่างเฉียบพลันทันทีอันเป็นวิสัยประจำของเขาที่ทุกคนตระหนักได้ดีไรเฟินสะพายหยุ่กระไหลแสดงว่ามีความวางใจอย่างยิ่งยวดที่จะไม่ต้องใช้มันภายในเส้นทางที่จะเดินลงไปนี้ มือขวาข้างที่ถือคบเพลิงเบนล้ำไปด้านหน้าเล็กน้อยและแกว่งกวาดไปมาช้าๆเพื่อแสงอันจำกัดของมันเป็นเครื่องสองทางสแตนลีนั้นสกัดอยู่ด้านหลังของเขาในแนวเส้นตรงเว้นระยะพอเอื้อมมือถึงด้านซ้ายของหัวหน้าคณะคือคริสติน่าและถัดไปคือเชิดวุตร ส่วนด้านขวาคืออิสเบลมีอเมริกันร่างยักษ์คือคิดอยู่ปลายขวาสุดของแถวหน้ากระดานนั้นเกิดกระเซยทอดระยะห่างออกมาเล็กน้อยระหว่างพรานหนุ่มทั้งสองไม่ได้เดินใกล้ชิดกันนักเพื่อถ้าหากเกิดอะไรกันขึ้นก็จะไม่เบียดชนปะทะกันแต่จะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแคล่วคล่องและพรานเท่าอาวุโส ค, คือบุญคำ ก็เว้นห่างไปอีกสองขั้นบันไดถ้าจะขีดเป็นเส้นตรงก็จะอยู่ในแนวเดียวกับระพินนั่นเองสายตาของทุกคนพยายามปรับให้ชินกับความมืดและแสงวูบวาบจากใต้มีใครคนหนึ่งจากด้านหลังพยายามจะใช้ไฟฉายประจำตัวแรงสูงส่องผ่านส่องผ่านข้างลำตัวระพินไปยังทางลงเบื้องหน้า แต่มันดูไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงตามที่พรานใหญ่ได้เคยเตือนไว้ก่อนแล้วเพราะลำแสงของมันแทนที่จะสว่างจ้าออกไปเหมือนอยู่ข้างนอกกลับกลายเป็นจุดแดงริบ ป, ปรีและเจ้าของไฟฉายก็รีบดับลงทันทีเพราะเห็นว่ามันไร้ค่าเจ็ดแปดและเก้าขั้นที่ลึกต่ำลงไปตามลำดับ ใครคนหนึ่งของคณะนายจ้างจากเบื้องหลังพยายามจะ ก, ก้าวลงไปเดินขนาบเคียงคู่กับเขาทางซีกซรายมือแต่ลําแขนที่ว่างเปล่าอีกข้างหนึ่งของระพินปาดมากัน้นสกัดไว้มันกระทบกับอกด้านหน้าหยุ่นหยุนมีสปริงเข้าเต็มเป่าโดยที่เขาไม่ตั้งใจทั้งคนแกว่งแขนไปถูกและเจ้าของทรวงอกอวบเต่งตึงภายใต้เสื้อแจ็คเก็ต ที่รูดซิบออกเหลือไว้แต่เชิดเดินป่าต่างฝ่ายต่างไม่สนใจจากการสัมผัสกระทบนั้นในภาวะเช่นนี้แต่มันเป็นผลให้ฝ่ายถูกปาดแขนมากั้นไว้ชะงักกรุณารักษาระดับด้านหลังของผมไว้และช่วยกันสังเกตอย่าพยายามลงมาเดินคู่กับผมก่อนในขณะนี้ครับกระพินกล่าวขึมขึ ม, ขมแผ่วเบา มีเสียงกระซิบตอบคำว่าโอเคเมื่อ น, นั้นเขาจินตนักแน่ว่าคือคริสติน่านั่นเองแล้วก็น่าจะเป็นแม่ผมทองเพราะถ้าเป็นสวงอกที่ตอนนี้บาดเจ็บชำรุดของเบลหากว่าถูกแขนวาดไปกระทบแบบนี้คงจะร้องจักไปแล้วด้วยความเจ็บจัดแผลที่เย็บไว้ และเพียงแค่สิ้นเสียงเตือนของรพินเท่านั้นทุกโสดประสาทก็ได้ยินเสียงเหมือนใครเป่าลมออกมาจากริมฝีปากโดยให้ผ่านไรฟันออกมาถ น, นัดชัดเจนคล้ายๆเสียงแมวขู่รพินไพรวันยืนนิ่งอยู่กับที่ทุกคนก็ชะนักนิ่งกันไปหมด จากแสงใต้ที่เขาค่อยๆส่องลดต่ำลงมาจากอาการชูสูงภาพที่ปรากฏอยู่กับพื้นห่างจากเทา้าระพินไปเบื้องหน้าประมาณไม่ถึงวาสิ่งที่ทุกคนแลเห็นทำให้ต้องยืนตัวแข็งกันไปหมดสีดำมั่เม่วงกลืนกับหินบันไดอันกำลังจะก้าวกันลงไป ในขนาดนี้คืองูเห่าตัวขนาดข้อมือม้วนขดเกือบจะเป็นวงกลมสีษา ท, ที่ชูขึ้นมาของมันกระทบแสงไฟจากใต้หินดอกจันสีขาวชัดเจนระดับของมันที่ยกขึ้นแม้จะอยู่ต่ำลงไปยังบันไดอีกขั้นหนึ่งก็ตามก็สูงขึ้นมาระดับเข่าของจอมพรานมันกำลังแผ่ทางทาน และทรงลำตัวท่อนบนนิ่ถ้าไม่กางแขนออกสกัดกั้นคริสติน่าไว้หลอนอาจจะก้าวลำหน้าลงไปก่อนเขาเพราะเห็นว่าทางสะดวกน่าจะเดินลงไปได้สบายแต่ถ้าหลอนก้าวลงไปก็แปลว่าเหยียบลงบนขนดหางหรือร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งของมัจจุราชไม่มีตีนอย่างพอดี ระยะที่พบกันอย่างกระทันหันเพียงแค่นั้นและขนาดลําตัวที่ค่อนข้างจะใหญ่โตเกินงูเห่าดงทั่วๆไปของมันเช่นนั้นมันเป็นระยะอันตรายขีดสุดยากที่จะหลบหลีกได้หากมันจะพุ่งเข้าฉกเฉยไว้ทุกคนอย่าเพิ่งขยับตัวหรือคิดทำอะไรทั้งนั้นระพินกล่าวขึ้นไม่เกินกระซิบ แต่ได้ยินไปทั่วทุกคนโดยที่ตนเองก็ไม่ได้เหลียวกลับมาปืนสั้นในซองข้างอกของคริสตินา่าซึ่งถูกแตะค้างอยู่เฉพาะที่ด้ามเท่านั้นไม่อาจที่จะดึงออกมาได้เพราะเสียงที่สั่งเตือนมาเกิดเซย์และบุญคำซึ่งยืนอยู่เบื้องหลังสุดได้ยินเสียงคู มีอะไรอยู่เบื้องหน้าแต่ก็ไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้เพราะหลายคนบังอยู่ส่วนสแตนลีย์อิสเบรเชิดบุตรและคีดเห็นกันหมดทุกคนยังเลือดแทบจะจับเป็นก้อนแขนถ้ามันจะฉกก็แปลว่ามันจะต้องฉกระพินเป็นคนแรกเพราะอยู่ ใ, ใกล้ที่สุด ทุกคนเห็นจอมพรานเริ่มโบกใต้ในมือจากเบื้องซ้ายไปทางเบื้องขวาช้าๆประมาณสามสี่ครั้งเหมือนจะเป็นการปัดหรือชี้ทางให้แก่อสรพิษเคืองตัวที่กำลังชูหัวร่อนอยู่นั้นเป็นอาการกระทำที่นิ่มนวลละมุนละมอ่อมอย่างยิ่งและระมัดระวังไม่ให้ลูกไฟจากขี้ใต้ หล่นไปกระทบตัวมันเห่าใหญ่เริ่มเบนหัวที่หันมาเผชิญตรงกับเขาไปยังทิศทางด้านซ้ายของมันหรือทางด้านขวาของฝ่ายมนุษย์ที่ประจันหน้าอยู่แล้วค่อยๆเคลื่อนตัวช้าๆในลักษณะที่ยังชูคอร่อนอยู่นั้นขมวดของลำตัวที่ม้วนขดอยู่ เริ่มขยายเป็นเส้นยาวจากการเคลื่อนไหวของมันทามกลางสายตาทั้งหมดที่เฝ้าจับมองอยู่เงียบเงียบชั่วอึดใจใหญ่ต่อมามันก็ค่อยๆหายลับเข้าไปทางซอกขินแตกฝั่งขวามือริมผนังทางเดินอันมีช่องโพรงอยู่มากมายเอาละตามมา เียงระบินบอกมาเรียบๆพร้อมกับเก้าลงไปตามขั้นบันไดหินโบราณ น, นั้นต่อไปเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นลุมนายจ้างถอนใจกันออกมาอย่างโล่งอกแล้วเคยชินชละสำหรับปรากฏการณ์แปลกๆอันมาจากการกระทำของมารุเทศนำทางไม่มีใครถามเขาว่างูตัวนั้นยอมเลื้อยผักจากไปอย่างสันติเพราะอะไร จะมีก็แต่เพียงเสียงบ่นเงิน ง, งาของสแตนลีย์ยังไม่สู้สบายใจนักว่าถ้าทางจะชุมไม่ใช่เล่นนะในช่องทางเดินใต้ดินนี่ครับแต่สำคัญว่าอย่าไปเหยียบหรือทำอันตรายอะไรมันก่อนแล้วกันครับระพินตอบมาเบาๆขณะที่สองใต้นำต่อไปด้วยอาการสงบเยือกเย็นเหมือนเดิม ประมาณ20ขั้นของการก้าวกันลงไปเป็นหมู่ในรูปการเดินลักษณะเดิมขนทางเริ่มจะห็นเลี้ยวหักเป็นข้อสอบโดยมีผนังตันทึบบังอยู่เบื้องหน้ารูปแกะสลักจากผนังหินเป็นภาพนูนปรากฏให้เห็นอีกเป็นลักษณะของร่างกายมนุษย์แต่ส่วนศีรษะเป็นรูปสิงสัตว์ต่างๆ และดูแล้วน่าระทึกใจกว่าภาพทั้งมวลที่แลเห็นกันมาก่อนแล้วยังพื้นถ้ำเบื้องบนระพินไม่มีเวลาพอที่จะหยุดสำรวจดูให้ละเอียดได้นอกจากสแสวงหาเส้นทางนำลงไปสู่เบื้องล่างอย่างเดียวอากาศเร่มเบาบางและความชื้นสูงแต่ออกซิเจนก็ยังมีเพียงพอที่จะลุกไหม้คบเพลิง และหายใจกันได้สะดวกพอสมควรอยู่มรรยากาศรอบตัวที่แวดล้อมอยู่ทั้งๆ ท, ที่ต่างไต่ลงมาลึกมากแล้วแทนที่จะระอุอบอ้าวกลับกลายเป็นเย็นฉ่ำยังไงบอกไม่ถูกพอเลี้ยวหักโคง้งก็พบเส้นทางลงที่ดิ่งลงไปสู่ความลึกอันมืดมิดมองหาปลายสุดไม่พบอีกครั้ง แต่มีรอยขั้นบันไดแตกปรักหักพังถล่มสุดมากกว่าเท่าที่ผ่านกันมาแล้วในช่วงต้นหินของขั้นบันไดหลายต่อหลายแห่งเป็นรอยย่นเข้าหากันและชนกายเกยกันอยู่บ้างสูงขึ้นแล้วบ้างก็เอียงตะแคงลงหินผนังอันเป็นภูเขาทั้งก้อนหักถล่มอยู่เกะกะ นักที่นี้ระพินดึงวิทยุขึ้นมาทดสอบก่อนที่จะเดินต่อจันคขากรอกคำพูดลงไปด้วยเสียงไม่สู้จะดังนักแต่สำเนียงที่ผ่านออกมาจากลำคอสะท้อนกล้องแววล้อกันไปมาดังเป็นช่วงช่วงเรากับจะมีใครมาขานรับเป็นทอดทอดลงไป แล้วก็มีเสียงวิทยุตอบลงมาทันทีจากฝ่ายด้านบนที่ดูเหมือนจะคอยรับฟังอยู่ตลอดเวลาแล้วครับนา ย, นายเสียงของจันอันเกิดจากท่รพินลืมรีระดับเสียงไว้ยิ่งดังสนั่นราวกับเข้าเครื่องขยายเสียงนับร้อยวัตต์เขาเรียบรีวอลุมลงเพียงพอให้กระซิบพูดกันได้ยินเท่านั้นนี่จัน ขณะ น, นี้พวกฉันลงมาลึกประมาณยี่บห้าถึงสามสิบเมตรเลยนะแต่แนวช้อนทะแยงจากระดับพื้นด้านบนสภาพเสียงจากวิทยุติด ต, ต่อรับฟังได้ชัดเจนแค่ไหนล่ะยังฟังได้ชัดมากครับนายดีละฉันกำลังจะเดินต่ำลึกลงไปอีกนะแล้วจะเรียกขึ้นมาเป็นระยะระยะเสียงทางด้านจันทก็ฟังรับได้ชัดเจนดี ขณะนี้ผู้จุดตรงไหนของข้างบนละ่ะอยู่จงช่องปากทางที่นายลงไปนั่นแหละทางข้างล่างน่ะเป็นไงมั่งลนะครับมันยังมีทางลงไปอีกได้ลึกมากเหรอนายจันถามลงมามั่งอย่างเป็นห่วงอืมรู้สึกจะเป็นทางลงลึกไปมากทีเดียวแต่จะมากแค่ไหนก็ยังไม่รู้นะมันมืดยังกะทางลงนรกยังไงอย่างนั้นอะอยังไม่ต้องถามอะไรลงมานะ เอาเป็นว่ า, วาคอ ย, คอยรับฟังที่ทจะเรีย ก, ยกขึ้นไปไ<ม>ก็<ม> แ, ลแล้วกันระพินเน็บวิทยุติดเอวไว้ด้านหลังตามเดิมยังไม่ออกก้าวเดินแต่หันมาสั่งให้เกิดกระเสยจุดใต้ขึ้นอีกสองอันเพื่อเพิ่มแสงขึ้นและให้แจกไปยังสแตนลีกะคีตคนละดุน้นพวกนั้นยังเกาะหมู่รวมกลุ่มอยู่ใกล้เคียงเขาทางเบื้องหลังโดยไม่มีใครกล้าเดินแยกทางหรือ ก, ก้าวล้าหน้าลงไปก่อนเลย สภาพของสถานที่มันสะกดให้ทุกคนบังเกิดความพร่านใจยังไงบอกไม่ถูกฮิตทำไมนายไม่ใช้คบเพลิงเคมีของเราละ่ะมันจะช่วยสว่างมองเห็นหมดทุกแง่ทุกมุมนะนายคิดกระซิบถามขึ้นเบาที่สุดไอ้คบเคมีของนายนะ่ะมันมีความจําเป็นแน่ละแต่มันยังไม่จําเป็นตอนนี้อย่าเพิ่งมันหมดปลืนไปซะก่อนเลยประเดี๋ยวจําเป็นก็มันจริงจริงมันจะไม่พอใช้ แล้วอีกอย่างหนึง่งตรงเนี้มันเป็นบริเวณอับทึบมากเพดานก็เริ่มจะเตี้ยลงมาแล้วหากใช้คบเคมีมันอาจจะกลายเป็นกองไฟที่ร้อนแรงจนบางทีพวกเราเองอาจจะทนกันไม่ได้ขณะที่ตอบนาย GI ผู้บัดี้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมตายไปแล้วระพินชูใต้ขึ้นสูงเหนือศีรษะอีกครั้งเบนไปข้างหน้าเล็กน้อยทุกคนที่มีใต้อยู่ในมือก็กระทาในลักษณะเดียวกัน เพื่อช่วยสองตรวจสถานที่ไปรอบๆ ร, รู้สึกว่าทางลงมันเริ่มจะบีบแทบสอบลงแลวนะหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ผู้บัตญนี้กำลังกลายเป็นคณะสำรวจมหาสุสานของราชวงศ์มาฮิติเดชะเปรยขึ้นดังไม่เกินกระสิก ค, ความจริงถ้าดูจากสภาพแวดล้อมและหลักฐานทางลงแห่ง น, นี้ แต่เดิมมันก็มีขนาดกว้างใหญ่เหมือนกับที่เราลงกันมาในช่วงแรกอิสเบนผู้มีความชำนาญทางด้านธรณีวิทยานอกเหนือไปจากวิชาแพทยาศาสตร์บอกมาขณะที่ซุดตัวลงไปสังเกตพื้นอันมีลักษณะหดร่นย่นยู่เข้ามาผู้สองตาให้หล่อนคือบุญคำซึ่งนั่งยองๆ อ, อยู่ใกล้ๆแต่อ้ที่มันสอบแคบเข้ามานี่ เป็นพราะผนังทั้งสองด้านมันถูกบีบอัดเข้าหากันจากแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวสภาพเดิมของมันจึงถูกทําลายเกือบหมดและเปลี่ยนลักษณะไปอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยบางแห่งอาจจะถูกปิดตันไปแล้วและบางแห่งก็เป็นการเปิดขึ้นใหม่ซึ่งไม่ใช่หนทางที่มนุษย์ในยุคนั้นได้ทำไว้เพราะฉะนั้นระพิน ขอให้คุณพิจารณาในแต่ละก้าวที่จะนำเราเดินลงต่อไปนี้ให้มากที่สุดนะคุณต้องแยกให้ถูกว่ามันเป็นทางที่เกิดขึ้นใหม่หรือทางเดิมที่คนในยุคนั้นทาไว้ในเงาตะคุม่มพรานนำทางเพเยอริมฝีปากให้เห็นฟันขาวเบลไอเรื่องนี้คุณต้องช่วยผมด้วยนะเพราะคุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าผม ก็เพราะอย่างนี้ไงอะ่ะฉันถึงต้องขอลงมากับพวกเราทุกคนด้วยทั้งๆที่ฉันก็ยังไม่สมประกอบนักนี่ขอเตือนให้ทุกคนระวังเรื่องการเดินเหยียบพลาดลงไปในร่องปริแยกของพื้นด้วยนะเพราะอาจจะหล่นลงไปสู่โพรงด้านล่างซึ่งยังไม่รู้ว่ามันจะลึกสักแค่ไหนฉันรู้สึกว่ามันจะมีอยู่ทั่วไปเสด้วยนะเบร์ง<บ>ั้นคุณมาเดินนําคู่กับผมไหมก็ได้ แต่บอกก่อนนะรพินฉันเพียงแต่สันนิษฐานไว้ในสิ่งที่บอกเท่านั้นต่ความชำนาญในฉันสู้คุณไม่ได้หรอกพร้อมกับกล่าวอิสเบีงก็ลุกขึ้นเดินเข้าไปหยุดเคียงข้างเขาคว้าใต้จากมือของคีตมาถือไว้ในมือตนเองเพื่อช่วยส่องนำหน้าอีกดวงหนึ่งหันไปสั่งกระพักพวกของหล่อนว่าระยะช่วงนี้ขอให้ทุกคนเดินเป็นแถวเรียงเดี่ยว แล้วก็เดินตามหลังชั้นกระพินไปอย่าแยกเบี่ยงไปทางอื่นขอรู้ไว้ด้วยว่ามันมีนรกซอร้อนนรกอยู่ทั่วๆั่วไปนะ่บริเวณนี้จะไม่ต้องการให้พวกเราคนใดคนหนึ่งหลุดร่วงหายไปเฉยๆ เ, เหมือนถูกธรณีสูบเชิดบุตรคิดและสแตนลีย์กระเดือกน้ำลายลงคอยอย่างฝืดๆเริ่มปรับแถวเป็นเรียงเดี่ยวตามคำสั่งของเบน ท, ทันที คริสติน่าผู้ยืนสงบนิ่งอยู่เช่นเดิมเยื้องออกไปเล็กน้อยด้านหลังระพิงเอื้อมมือมาสกิดหลังแม่เพื่อนสาวผมแดงไว้พอบเอลเหลียวกลับไปมองก็บุยปาขึ้นไปเบื้องบนยังเพดานซึ่งไม่มีใครสนใจเงยขึ้นไปดูกันมา ก, ก่อนจะดูกันเฉพาะสองฝั่งริมทางและพื้นด้านล่างที่เหยียบยืนกันอยู่เท่านั้นทุกคนแหงนหน้าขึ้นแล้วชะงักนิ่ง หายใจไม่ทั่วท้องกันไปหมดอีกครั้งมันไม่ได้สุดหรือไม่รอยปรักหักทางเฉพาะพื้นด้านล่างและด้านหลังเท่านั้นแม้บนเพดานอันมีระดับต่ํำเตี้ยลงมาก็มีรอยหินแยกปริร้าวอยู่ทั่วไปบางส่วนที่มองเหมือนคานยันหัดดกเดาะเป็นมุมลงมามีอาการเหมือนกับว่ามันจะพลูถล่มลงมาเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งสิ้น เป็นที่น่าหวาดเสียวยิ่งนะักตำแหน่งที่ต่ํำเตี้ย ย, ย้อยห้อยลงมามากที่สุดคือตำแหน่งที่ทุกคนกําลังยืนชุมนุมกันอยู่ณนะบัดนี้เองช่วงแขนของคนร่างสูงขนาดคิดและเชิดบุตรสามารถที่จะเอื้อมมือขึ้นไปสัมผัส ก, กระเพดานปริราวเลดูมินเมย์ น, น่ากลัวอันตรายนั้นถึงได้ เราไม่ได้มีโอกาสเฉพาะเดินหลุดร่วงลงไปในร่องแยกตามที่เบลว่าอย่างเดียวหรอกนะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะถูกฝังทักทั้งเป็นในวินาทีใดวินาทีหนึ่งก็ได้แม่นักเคมีฟิสิกสาวเอ่ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มเลี น, ลนอืมบริเวณี้มันคงจะอยู่ในลลลัััักษณะะนนนนนนี้มมหื่แสปแ ถ้ามันจะมาแจ็คพอรตถล่มเอาในเวลาที่พวกเราผ่านเข้ามานี่ก็น่าจะถือซะว่าเป็นโชคดีของเราแช่แล้วกันรพินบอกพลางยิ้มแนการเดียวกันไม่พูดเปล่าเขายังปลดไรเฟิลออกจากไหลเอาด้านซ้นผานท้ายกระทุ้งกระทุงแร ง, รงๆขึ้นไปยังตำแหน่งที่เพดานหินเมี่าการเหมือนใกล้จะหักถล่มลงมานั่นแล้วก็บอกอย่างให้เป็นเรื่องขบขันต่อไปว่า มันเป็นไรหรอกพีริสถ้ามันคลื่นลงมาเมื่อไรผมจะมือคำยันไว้ให้เจ้ากว่าพวกคุณจะวิ่งย้อนกลับขึ้นไปพ้นระยะสมาร์ทกายคุณนมักมียารมสดใสราเริงน่ารักเสมอนะเมื่อมองเห็นชัดๆว่าความตายกำลังรอคอยอยู่ข้างหน้าอะทุกคนผมไม่เอาโอกาสพวกคุณตัดสินใจอีกครั้งแล้วกัน ระพินเข้าสู่ความเครียดขึมจนน่ากลัวอีกครั้งมองไปยังทุกคนเส้นทางที่จะเดินต่อไปนี่มันเห็นชัดอยู่แล้วว่าอันตรายขีดสุดรอคอยเราอยู่ทุกขณะจิตถ้าพวกคุณเห็นว่ามันเสี่ยงโดยใช่ที่ก็ได้โปรดย้อนกลับขึ้นไปสักทีผมจใจเกิดกระเสรยน้ํากลับขึ้นไปอ่แล้วคุณละ่ะฝ่ายนายจ้างถามขึ้นเกิดจะเป็นเสียงเดียวกัน ผมกับบุญคำเพียงสองคนจะลงไปสำรวจต่อครับแล้วก็จะรายงานให้ทราบทางวิทยุทุกระยะครับเขากล่าวอย่างจริงใจและหมายความตามที่พูดอย่างแท้จริงสแตลีดันหลังเขาบอกมาเรียบๆแต่เฉียบขาดว่าเคลื่อนต่อไประพินไม่มีใครย้อนกลับขึ้นไปหรอกแม้แต่เบรผู้ซึ่งกำลังไม่สู้จะสมประกอบนักขอรู้อย่างเดียวแหละ คุณถึงไหนพวกเราถึงที่นั่นแทนคำตอบของเบลหรือตัดสินข้อปัญหาทั้งมวลแม่ผมแดงซึ่งยังอยู่ในภาวะคนป่อยในขณะ น, นี้เอามือคว้าแขนเขานำออกเดินก้าวข้ามและไตไปตามกองหินที่ขรุขระเกลื่อนระเนระนาดเหล่านั้นทันทีกระพินใช้วิธีรั้งไหลหลอนไว้เพื่อไม่ให้หลอนเดินเลยหนะ้าเขาไปเกินกว่าหนึ่งช่วงแขน เบรระวังคุณเป็นที่ปรึกษาของผมในขณะนี้เท่านั้นนะไม่ใช่ผู้นำเอาก็อย่ามัวตลังเลอยู่สิชักช้าอยู่ได้ฉันไม่เคยเห็นคุณมีอาการมึนงงลังเลต่อทิศทางครั้งไหนเท่าครั้งนี้เบรตอบมาเสียงพูดของทั้งสองแม้จะเบาแสนเบาแต่พักพวกที่เดินตามหลังกันมาอย่างระวังตัวแจก็ได้ยินกันหมดทุกคน ผมกำลังพยายามทบทวนอะไรบางอย่างอ่ะคุณระพินเอ่ยออกมาอย่างไม่ตั้งใจทบทวนเ่ะคุณหมายถึงอะไรระพินเบนสวนมาทันทีก็ทบทวนถึงเส้นทางลงของมหาสุสานนี่รู้สึกคล้ายๆกับว่ามันจะมีเส้นทางเดินแยก กว้างขวางเรากระลังปลวกออกไปอีกหลายทิศทางทีเดียวมีห้องของมหากษัตริย์และราชวงศ์ใกล้ชิดต่ตําลึกลงไปข้างล่างมากส่วนเส้นทางที่เราผ่านกันมาแล้วก็มีห้องถถงอีกหลายห้องเป็นที่เก็บศพของราชวงศ์ในชั้นที่ห่างออกไปขุนศึกขาราชบริพารชั้นสูงผู้ใกล้ชิดแล้วก็ แล้วก็แล้วก็มีห้องเก็บสัพพะอาวุธเครื่องสูงเครื่องประดับอีกมากมายที่พระมาหากษัตริย์เคยทรงใช้อยู่ในขณะที่มีพระชนชีเอระพินแล้วคุณรู้ได้ยังไงเบนผู้เดินอยู่เคียงข้า ง, ขงเขาบัดนี้หันกลับมาจ้องหน้าในเงาสลัวและพักพวกที่เดินตามหลังมาก็ต่างถามแทบจะเป็นเสียงเดียวกันอย่างรวดเร็ว สุภาพบุรุษใครอึ้งไปชั่วขณะเพิ่งจะคิดขึ้นมาได้ว่าเขาไม่ควรจะเ อ, อ่ยเรื่องนี้ก่อให้เกิดปัญหาซักถามขึ้นเลยบางทีมันก็เกิดจากการสัง ห, หรณือขาดขันเอ ข, ของผมเองก็ได้นีระพินคุณพูดคล้ายๆกับว่าคุณได้เคยผ่านสถานที่นี้มาก่อนแล้วอย่างงั้นะ คริสติน่ากระซิบมาทางเต่งหูเขาเบื้องหลังจึงทราบว่าหล่อนประกบชิดเข้ามาเป็นคนที่ใกล้ชิดที่สุดใช่ครับเคยผ่านมาแล้วในความฝันครับแพรนใหญ่ต่อไปอีกลักษณะหนึ่งแต่มันก็เป็นจริงที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในใจตนเองนี่ระพินที่คุณพูดมานมันถูกทั้งหมด ฉันไม่ได้บอกคุณเมตกี้นี่เองก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าคุณจะมีความเห็นถูกต้องยังไงหรือไม่ภายในมหาสูตรารยิ่งใหญ่แห่งนี้เบลเอ่ยขึ้นหนักแน่นดวงตาสีเข้มของหล่อนพยายามที่จะเบิกฝ่าความมืดมนรอบตัวตลอดเส้นทางผ่านอันน่าระแวงนั้นไอตรงที่เราหักเลี้ยวมุมข้อศอกโดยเลี้ยวมาทางซ้ายนี่นะ ตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งกึ่งกลางจุดแรกพ่จะเรียกว่าเป็นทางพักขั้นต้นก็ได้ฝั่งขวามือของเราจะแยกไปยังห้องโถงใหญ่ทีเดียวแต่ขณะที่คุณนาลงมานี่มันได้เกิดเพดานถล่มยุบลงมาก้อนหินจำนวนมากมายได้หล่นลงมา ก, กลบบังไว้หมดละเลยทำให้เราดูผัดผาดว่ามันเป็นผนังตันทึบแต่ความจริงอ่ะมันแยกไปอีกห้องนึง แล้วคงจะมีทางนําลงต่อไปทางด้านนั้นอีกหลายๆเส้นทางด้วยทว่าเราก็จําเป็นต้องหักเลี้ยวมาทางซีกซ้ายมือที่ยังพอมีทางให้เราเดินลงมาได้เพราะตําแหน่งหินพังทางด้านนี้มันน้อยกว่าด้านนั้นแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเดินลงมาตามเส้นทางเฉพาะที่ยังเหลืออยู่นี่เท่านั้นระพินยิ้มเครียดอยู่คนเดียวในเงามือ ป้ายแขนเสื้อเช็ดเหงื่อที่ออกมาชุ่มหน้าผากเบแล้วคุณรู้ไม่ใช่เหรอว่าระหว่างเส้นทางที่เรากำลังลงไปในลักษณะไต่บ้างเดินบ้างหรือบางทีต้องคลานไปบ้างนี้เนี่ยมันล้วนมีเส้นทางเล็กเส้นทางน้อยแยกตัดออกไปสู่ห้องโน้นห้องนี้เต็มไปหมดเรากาลังปลวกใต้ดินเพียงแต่ว่าหินมันถล่มลง ร่วงมาปกปิดปากทางเข้าออกเหล่านั้นซะจนทำให้ราอมองไม่เห็นท่านนั้นทำไมฉันจะไม่รู้ขณะนี้เรายึดเส้นทางใหญ่ที่เสียหายน้อยที่สุดเป็นทางนำลงเท่านั้นลักษณะมันก็เหมือนเส้นทางคูหาห้องภายในมหาพิระมิดอย่างใดก็อย่างนั้นเพียงแต่ยังสันนิษฐานไม่ได้เท่านั้นว่าระหว่างมหาสุสานของนิทรานครนี่ กับมหาพิรามิดใครจะสร้างก่อนใครจอมพรานหัวร้อฮือตอบสั้นๆว่าที่นี่มันเก่าแกกว่าหลายกับหลายกันนะคุณปากเขาพูดแต่มือก็รวดเร็วตามสัญชาตญาณเพราะเบนถลําไปทางซีกซ้ายเนื่องจากขาไปเหยียบติดลึสะดุดเข้ากับอะไรทำท่าจะเซขมำล้ ม, ลมจนใต้ที่ถืออยู่ในมือ หลุดไปกลิ้งอยู่บนก้อนหินเขารั้งตัวหล่อนไว้ได้ในมุมตักแทงลู่เช่นนี้เสียงเบร์ร้องครางเบาๆบอกให้ทราบว่าข้อเท้าของหล่อนสอดเข้าไปติดขัดกับแง่หินและขณะนั้นเองคริสติน่าผู้ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ก้มลงช่วยใต้ของเบรที่ล่นตกอยู่บนแง่หินส่องดูตำแหน่งขาข้างที่ถูกติดอยู่และบอกให้เบรอยู่นิ่งๆ จากนั้นแม่ผมทองก็ช่วยดึงปลายเท้าของเบร์ที่เข้าไปสอดขัดอยู่ใต้แง่หินให้หลุดออกมาได้อีสิเบร์ไม่มีมือลึกลักที่ไหนมาฉุดขาเธอหรอกปลายบุตรของเธอนะสอดเข้าไปขัดอยู่ใต้ซอกหินหักพอดีกับที่ทางมันเทลาดลงมุมต่ำสามสิบองศานะ่ะเธอต้องตั้งหลังตัวตรงให้ดีซะก่อนจึงจะชักปลายเท้าออกมาได้ แต่ฉันช่วยดึงเท้าเธอไว้แล้วล่ะคงไม่คลิปนะเบนถอนในถอนใจยาวสะบัดผมสงกายตรงอีกครั้งอีกมือนึงเกาะไหล่ระพินไว้ขอบใจมากนะที่รักข้อเท้าฉันยังไม่ถึงกับแพงหรือว่าคล็ดหรอกแต่ถ้ามีใครมาผลักให้ขมาหน้าก็สงสัยว่าหาักแน่ขอใต้ฉันเถอะคริส ถ้าคอยตามหลังฉันกนระพินไว้คอยดูหัวหน้าก็คิดด้วยแล้วกันโดยเฉพาะคิดนะมักจะซุ่มซ่ามสักหน่อยอาจจะหลุดลงรูหายไปเมื่อไหร่ก็ได้อีโธฉันระวังตัวของฉันอยู่หรอกคิดบอกมาฉุนฉุน แ, แล้วก็ร้องอุ๊บพระศีรษะไปชนกระทบข้ากระเพดานหินที่ยืนล้ำต่ำลงมาจนต้องมือคลาป้อยป้อย สะบดอุบอิบด่าพ่อล่อแม่หลุมๆลุแงแรงไปตามนิสัยคนปากเปราะว่าแต่ฉันเถอะไม่มีใครเอ่ยถึงสนใจบ้างเลยนะเสียงเชอดวุดเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกเชิงตัดพ่อแม่สองสาวอเมริกันคุณน่ะมันฉลาดยิ่งกว่ากรดไว้ซะยิ่งกว่าลิงตอนนี้สภาพของคุณเหมือนพ่านพื้นเมืองคนหนึ่งของระพินไปแล้ว ไม่มีอะไรต้องน่าห่วงสักนิดเนึ่งตรงข้ามคุณน่ควรจะมาเพ่งความสนใจห่วงายฉันซะมากกว่าที่แล้วแล้วมาเกิดอะไรขึ้นก็เห็นคุณเอาตัวรอดสบายได้ทุกครั้งเบลบอกมาด้วยเสียงแหบแห้งทั้งหมด ค, อ ค, อค่อยๆคืบหน้าลงไปตามทิศทางนั้นต่อไปคราวนี้ช้าลงมาก เพราะไม่ใช่เป็นการเดินอย่างสบายแล้วหากแต่หลายๆครั้งต้องค่อยๆไต่ลงไปเนื่องจากบันไดาบางส่วนขาดตอนกลายเป็นช่องว่างมีแต่กองหินหักและส่วนของกองหินเหล่านั้นหลายต่อหลายชิ้นมีคาวโครงให้เห็นว่าเป็นเสาค้ำยันและส่วนประดับส่วนอันเป็นผนังแกะสลักจากหินทึบทั้งก้อนหนักก่อน ระพินให้สัญญาณเตือนไปยังคนของเขาที่งมทางติดตามมาเบื้องหลังทั้งสามคนเกิดและเสยตอบรับคำมาด้วยอาการปกติสแสดงถึงความมั่นคงของพลังกายและพลังจิตอย่างไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงได้สำหรับเจ้านักผจนภัยสิบก้นกุดเด็กหนุ่มคู่นั้นของเขาส่วนบุญคำนั่งรักษาตำแหน่งคุมรังท้ายอยู่เช่นเดิม ณสถานที่นี้บัดนี้แกกลายเป็นคนที่เงียบที่สุดตั้งแต่ผ่านทางกันลงมาเขาแทบไม่ได้ยินเสียงใดๆจากบุญคำเลยเมื่อถูกเรียกก็มีเสียงเบาๆของแกตอบมาจากเบื้องหลังว่าบุญคำยังอยู่นายไม่ต้องห่วงหรอกใจทำยังไงก็สั่งมาฮะแล้วก็รู้จักผู้ไทยกันสมั่งดิมื่อแต่ฟุตฟิตฟอร์ไฟกันอยู่ ปกบุญคำก็ไม่รู้เรื่องดิดูแลนายทหารเชิดบุอาไว้วนะย้ายห่างเกินเอื้อมมือถึงอะสำหรับแม่มสองคนขนาดนี้มาอยู่ใกล้ๆฉันแล้วเป็นไงมั่งล่ะจะพวกลูกน้องไพรพลข อ, ของเจ้าแม่นะ่าคะเทวีเนี่ยชุมเหลือเกินมาดักหน้าดักหลังกับนายทักทายกับนายตะกี้เนี่ยยังดีนี่พวกเล่นพันขาบุญคำเลยโดนก็ไปสองสามครั้งลนะ ดีนะที่ไม่ชกนายทหารเฉยหุญกระโดนแต่แคก็ใจถึงจะมัดไม่ได้ร้องโวยวายอะไรเลยดีมากเฉยวะอย่าไปทำอะไรพวกเขารับรองไม่กัดหรอกใช่กัดเมื่อไรก็รู้เองแหละบุญคำบอกมาอย่างหงุดหงิดรำคาญใจซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่บุญคำจะตกอยู่ในสภาพเช่นนี้รบพินเพียงแต่ยิ้ม ไม่ชวนแกพูดอะไรอีกท่ามกลางความเงียบได้ยินแต่เสียงลมหายใจหนักๆของแต่ละคนแล้วเสียงของการเหยียบหินเคลื่อนลงไปเท่านั้นขณะนั้นทุกคนก็หยุดนิ่งราวกับนัดกันไว้มีเสียงลั่นครึกอยู่บนเพดานหินตะปุ่มตะป่่าเหนือสีสากขึ้นไปพร้อมกับฝุ่นบางๆ ที่ค่อยๆโรยปลิวลงมาเป็นละอองแม้จะเบาแสนเบาแค่ไหนดังก็สัมผัสกระสูดและความรู้สึกได้แน่ชัดไม่ได้เกิดจากอุปท า, านแต่มันเป็นความจริงแน่ชัดเพราะลำไฟฉายที่สแตลลีอันถือเตรียมไว้ตลอดเวลาฉายปราดขึ้นไปลำแสงก็ผ่านม่านฝุ่นนั้นช่วยมองเห็นบริเวณได้ถนัดกว่าเดิม เนื่องจากมีม่านฝุ่นมาเป็นที่รับแสงขณะนี้เหนือศีสะของทุกคนตลอดแนวระยะช่วงสั้นๆขาวนวลเหมือนมีหมอกลงรพินไทยวันยืนกลั้นลมหายใจอยู่กระที่ไม่ขยับแม้แต่นิดนึเหมือนจะส ง, งบจิตเข้าสู่พลังอำนาจภายในอะไรชนิดหนึง่งที่ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์ เด้วยเร็วสมกับที่ได้รับมอบหมายคนนึงกอดเอวแมมเบลไว้กระชากปิลเข้าไปชิดผนังด้านที่ดูแล ว, วั้นแน่นหนามั่นคงที่สุดอีกคนนึงก็คว้าฉับเข้าที่ต้นแขนของคริสตินา่าดึงแยกหลบเข้าไปฝั่งตรงข้ามสเตลีคิดสุดตัวลงนั่งด้วยเร็วกับพื้นภายใต้เพิงหินใหญ่อันแท้จริงก็คือขั้นบันไดพเพื่ออ้าขึ้นมา เชิดบุตรถูกตาเท่าบุญคำกระชากไลดึงถอยหลังออกมาพ้นรัศมีแนวทางของสายฝุ่นและเศษหินเล็กๆที่ร่วงลงมาเป็นฝอยน้อยๆประดุดละองฝนนั้นจึงบัดนี้มีก็แต่เพียงสุภาพบุรุษไพรจอมักคุเทศผู้เดียวเท่านั้นที่ยังยืนระ ง, งานนิ่งโดยไม่ไหวติตใต้ชูสูงอยู่ในมือ โดดเด่นอยู่กลางเส้นทางนั้นลบเร็วระพินเสียงใครคนหนึ่งอุทานเตืเอนออกมาอย่างตกใจนั่นเป็นเสียงสแตนลี่แต่ระพินก็ยังคงยืนนิ่งประดูถิงอยู่ตามเดิมและจากความรู้สึกตลอดจนมองเห็นของนายจ้างทุกคนไม่เห็นว่าพวกพรานพื้นเมืองของเขาคนใดในจำนวนสามคน จะเคลื่อนไหวตัวออกไปฉุดกระชากหรือแสดงปฏิกิริยาใดๆเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือเจ้านายไหมทั้งเกิดเสืและบุญคำคงทาหน้าที่ของตนเองอย่างเคร่งครัดทายเดียวคือเฉพาะคอยเตรียมป้องกันช่วยเหลือฝ่ายนายจ้างเท่าที่ได้รับการมอบหมายมาก่อนอย่างเดียวเท่านั้นม่าน ลอยจากเบื้องบนโปรยปลายลงมาบกคลุมบางๆตลอดร่างกายที่ยืนชูใต้สงบนิ่งเหมือนเสาหลักความผิดประหลาดอันเกิดจากเสียงเพดานหินด้านบนลั่นและมีเศษละอองปลิวลงมานี้มันเกิดขึ้นชั่วขณะจิตแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็สงบเงียบลงตามเดิมเหลือไว้เฉพาะม่านฝุ่นเท่านั้นซึ่งเมื่ออีกอึดใจให่ๆต่อมา มันก็ค่อยๆจางหายไปตามลำดับครับเคลื่อนที่ต่อไปครับในความเงียบขนาดเข็มตกก็คงได้ยินนั้นเสียงระพินบอกเรียบๆต่อมาโดยไม่ได้หันกลับพลางตนเองก็ออกก้าวนำต่อทุกคนของฝ่ายนายจ้างเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องต่างลุกขึ้นยืนและออกมาสู่เส้นทางเบื้องหลังเขาอีกครั้งนายคิดส ก, กิจหลังเขาเบาๆ เฮ้ ه, เพื่อนอยากโอวาลางมันไม่ค่อยจะดีซะแล้วนะเพื่อนนะนี่อย่าไปสนใจอะไรกับมันเลยนะ้าคิดสภาพของใต้สุสานแห่งนี้คงอยู่ในสภาพนี้มานานนมถ้าหากว่ามันเกิดจะถล่มลงมากลบฝังพวกเราในขณะที่เราลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นอุบัติวหเหตุที่เกิดขึ้นเหมือนดาวหางวิ่งมาชนโลกนลั่นแหละแล้วก็ต้องถือว่าพวกเราณนะโชคดีที่สุด ที่ได้มีโอกาสมาถูกฝังทั้งเป็นพร้อมๆกันทั้งคณะก็แสดงว่าทําบุญร่วมกันมาดีมาหล า, หลายชาติแล้วเจ้ามาคุเทตอบมาอย่างปกติเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยมีระพินถามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของถา้าหรือสุสานแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นนานๆครั้งมันก็ไม่ไกระไรนักหรอกนะ แต่ถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นโดยเลขกลมายามืดอะไรสักอย่างหนึง่งอเมริกันอาวุโสพูดแผ่วเบาค้างประโยคไว้กลัวอะไรกัเลขกลมายามืดล่ะครับดร์พวกเราไม่ได้ผ่านพจนกับมันมาแล้วโดยตลอดหรือครับนี่พวกคุณยังไม่เคยชินหรื อ, อยังไงคริสคุณคิดยังไง เชิดพุทธเบียดเข้าไปใกล้คริสติน่าจับข้อมือไว้กระซิบเบาที่สุดแม่ผมทองตามองจับอยู่เฉพาะเบื้องหลังของระพินผู้ค่อยๆไตน่นำดิ่งลงไปเรื่อยๆนี่คนๆนี้ยังไม่คิดจะฆ่าตัวตายหรือหวังจะลากเอาเราลงมาตายพร้อมกันกันกบเขาหรอกใจเย็นวะบุตรและแม่นักเคมีฟิสิกก็หันไปทางเพื่อนสาวไม่ได้ถามด้วยคาพูด แต่ใช้มือจับต้นแขนบีบแน่นกระชับจนเบนหันมามองใช่ตามเข้าไปจนถึงที่สุดไม่ว่าเขาจะนำไปทางไหนเบลบอกมาค่อนข้างสั้นพร้อมกระรอยยิ้มที่ยากจะอ่านความหมายนในทางธรณีวิทยาพื้นดินหรือพื้นทําที่เคยพังถล่มมาก่อนแล้วมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง หลมสุดลงมาได้อีกไหมเนี่ยสแตนลีกระซิบถามบ้าโดยถามลูกน้องของตนเองอย่างอดที่จะหวาดเสียวไม่ได้มีค่ะอาจารย์แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นบ่อยหรือมันง่ายนักหรอกก็อย่างที่เ็าพูดนั่นแหละคะ่ะถ้ามันเกิดขึ้นในขณะที่พวกเราลงมากันนี่โอกาสมันเกิดขึ้นยากก็เหมือนกับดาวหางวิ่งมาชนโลกนะบุญคาผู้เดินรังท้ายอยู่อย่างระมัดระวงัง ได้ยินเจ้านายฝรั่งพูดซุบซิบกันอยู่ตลอดเวลาสแสดงความหวั่นวิตกแม้แกจะฟังไม่ออกแต่แกก็ตีความหมายได้ก็ร้องออกมาเบาเบาว่าเจ้านายตามหลังนายระพินไปคนน่ะต่างกับบุญค้ำอยู่กันนายมายังไม่เคยเห็นใครตายเพราะเดินตามหลังนายระพินถ้าไม่ออกนอกลู่นอกร้อยขัดคำสั่งบุญค้ำเองก็กลัวจนแทบจะเยี่ยวแตกกัเนี่ย แต่ก็ไม่มีวันหันหลังกลับหรอกท่านายยังไม่ยอมหันหลังนี่ตรคำเออะอะไรเงียบๆเพ้ะไม่มีเจ้านายของเราคนไหนกลัวเหมือนยังที่บุญคําคิดหรอกพยายามหันไปมองข้างหลังมั่งกัแล้วกันในฐานะเดินหลังเสียงระพินสั่งความคนของเขามาทั้งหมดคืบหน้าต่อไประพินใช้วิทยุเรียกขึ้นไปยังจัน์อีกครั้ง คราวนี้ได้รับรายงานลงมาว่าเสียงวิทยุมีคลื่นรบกวนมากขึ้นแต่ก็ยังพอรู้เรื่องจับกระแสะคําพูดได้นี่ตะกี้ได้ยินเสียงแผ่นดินลั่นข้างบนมั่งเปล่าจันเขาสอบถามอย่างเสียงขึ้นไปไม่ได้ยินน่ะนายมีอะไรรึเปล่าไม่มีอะไรหรอกแค่ถามดูเท่านั้นแหละ อ่ะเลิกก่อนนะถามแค่นี้แหละเดียเด๋ยวๆดี๋ยวนายเสียงวิทยุมันโครกครากเต็มทีแลวนายเสียงพูกของนายก็เบาผิดไปมากนี่จะเกิดพูดกันไม่ได้ยินและใจให้จันทำไงเนี่ยก็ทำอย่างที่เคยสั่งนั่นแหละสงบรอคอยอยู่ข้างบนถ้าพวกนั้นเดินลึกลงไปมากๆแล้วก็เลี้ยวเหลี่ยมซอกมุมซอนไปหนทางใต้ดินเนี่ย มันอาจจะติดต่อกันไม่รู้เรื่องก็ได้ไม่ต้องห่วงเข้าใจแล้วตอบด้วยนะครับครับครับเข้าใจครับอย่าลงมาคุยกันย ม, มาบาล น, นานนักนะนายจันทร์กับพวกนี้เป็นห่วงเออหนทางที่พบว่าเริ่มแคบและเพดานต่ำเตีย้ยลงมานั้นยิ่งลึกลงไปก็ยิ่งแคบลงทุกขณะ จนกระทั่งในที่สุดต้องก้มตัวเดินข่อมหลังไปหรือบางแห่งก็ถึงก็ต้องลงคลานแต่มันก็เป็นเส้นทางให้สามารถไต่ลงไปได้เรื่อยๆอากาศยังพอมีหายใจได้อยู่เหมือนเดิมแสดงว่าจะต้องมีอากาศจากภายนอกสามารถลอดเข้ามาได้จากช่องหินแตกร้าอันมีอยู่ทั่วๆไปความแคบตีบลงมานั้นเห็นกันชัดๆ ว่าเกิดจากหินถล่มพังทับเส้นทางเดิมแน่นอนมันเป็นการทดสอบระดับจิตใจและความกล้าหาญของฝ่ายนายจ้างของเขาได้อย่างเด่นชัดโดยที่รพินก็ไม่ได้ตั้งใจหรือเจตนาที่จะกระทำเช่นนั้นไม่ว่าสแตนลีย์คีตเชิดบุตรหรือแม้แต่แม่สาวทั้งสองในส่วนลึกจะคิดยังไงเขาก็สุดที่จะตรัสรู้ได้แต่จากลักษณะภายนอก คนเหล่านั้นยังติดตามเขาไปทุกฝีก้าวโดยไม่ปริปากบุญใดๆทั้งสิ้นส่วนเกิดเสยและบุญคำไม่มีอะไรต้องกังวลคนของเขาเหล่านี้เจ้านายไปถึงไหนก็จะไปถึงที่นั่นอย่างไม่หวั่นระยอต่ออะไรทั้งสิ้นโดยความยึดมั่นและรู้ฝีมือดีอยู่แล้วตลอดทั้งชีวิตที่เข้ามาฝากตัวเป็นสิ่ง บุญคำนราร่าคาถาบูชาย ม, มาบาลของแกไปตลอดเวลานับตั้งแต่ได้ยินเสียงหินลั่นขึ้นเป็นครั้งแรกส่วนเชิดวุธก็ท่องคาถาบูชาหลวงพ่อทวดในใจปรับสเตให้มั่นคงเข้มแข็งเต็มที่ไตคลานเหมือนลงไปในปล่องใต้ดินอีกพักใหญ่จอมคุเทศผู้ทรหดที่สุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีความทรหดได้ ก็นำคณะลงมาหยุดยืนอยู่ยังตำแหน่งที่เป็นห้องโถงกว้างพอประมาณมีพื้นราบเสมอกันก่อนที่จะทะลุไปยังช่องทางอันน้ำต่ำลงไปอีกทั้งฝั่งด้านซ้ายและด้านขวามือนับที่นี้เพดานหินด้านบนมีระดับสูงขึ้นไปกว่าช่องทางตีบแคบอันเป็นเส้นทางขับขันที่ผ่านกันมาแล้วทำให้รู้สึกปลอดโปร่งขึ้นเล็กน้อย มันมีร่องรอยหินถล่มหักอยู่ทั่วไปก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกระเสียหายมากนะักนอกจากกองหินหักรอบด้านเต็มไปได้วยเงารันราตักคุ้มตะคุ่ ม, มยากที่จะสังเกตได้ชัดจากลำแสงใต้พื้นมือระหว่างที่ทุกคนยังมายืนรอรวมกลุ่มกันอยู่โดยไม่มีใครกล้าเดินแยกย้ายกระจายห่างกันออกไประพินชูใต้สูง แล้วหันมาสำรวจผู้ร่วมคณะของเขาเป็นครั้งแรกนับจำนวนได้แปดคนเขาเริ่มงุนงงชะงักไปแล้วพูดโดยเร็วเอ๊ะเราลงกันมาทั้งหมดเก้าคนน่ะทำไมตอนนี้เหลือแปดคนใครหายไปคนหนึ่งทุกคนหน้าตื่นหันมาสำรวจกันเองอลมานร้อนใจกันไปชั่วขณะ คุณคุณลองเรียกสิใครถูกเรียกให้ขานชื่อขึ้นแล้วกันสแตลีผู้เป็นหัวหน้าคณะพลอยตกใจไปอีกคนนึงจอมพรานเริ่มออกเสียงเรียกโดยเริ่มจากฝ่ายเมริกันทั้งหมดก่อนเมื่อเขาเรียกชื่อใครทุกคนก็ขานรับตามลำดับไปไม่ว่าจะเป็นสแตลีคีดเชิร์วุฒอิสเบลและคริสติน่า ครันเรียกไปทางพรานพื้นเมืองร่วมตายของเขาอีกเกิดเจยบุญคำก็อยู่กันครบแปดคนขานรับมาหมดแล้วอ่ะใครขาดไปคนหนึ่งแน่แน่ผมจำได้ว่าเราลงกันมาทั้งหมดเก้าคนนี่นะเสียงระพินดังขึ้นอาการของเขารู้สึกจะตกใจอยู่จริงๆเมื่อนั้นอีก น้ำเสียงเยือกเจ็นแต่เครียดขึ้มของคริสติน่าผู้ยืนรวมกลุ่มอยู่ฝ่ายนายจ้างของเขาก็บอกมาว่าแปลว่าคุณเรียกและแปดคนแต่ละคนอาคารรับคุณมาหมดแล้วยังขาดอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ได้ขารับทำให้มันขาดจำนวนจากเก้าคนที่ลงมาด้วยกันถูกต้องไหมก็ใช่สิใครล่ะมีใครหายไปคนหนึ่ง ให้ฉันลองเรียกดูไหมว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแม่ผมทองถา ม, มา่ะจอมพรานยังคงมึนงงอยู่ในสภาพนั้นอ่ะไหนคุณลองช่วยเรียกอีกสักครั้งสิผมสับสนไปหมดแล้วจันนะ่ะอยู่ข้างบนแน่ๆลูกหาอื่นผมก็ไม่ได้สั่งให้ลงมาด้วยนี่นะเอาล่ะนั้นฉันจะลองเรียกดูก็ยังไม่รู้เลยนะ ว่าเขาจะสามารถจำตัวเองขานรับฉันได้ไหมระพินไพรวันคุณอยู่ไหนโปรดขานรับด้วยทุกคนครางฮ้อแล้วก็กลายเป็นหัวเราะกันขึ้นทั้งหมดสุภาพบุรุษไพรแทบั ง, งะหลังส่งใต้ในมือไปให้เสยถือไว้อีกมือหนึ่งกลุ่มขมับแล้วค่อยๆซุดตัวลงไปนั่งบนหินหักก้อนหนึ่งอย่างหมดแรง โดยไม่อาจจะเอ่ยคำใดออกมาได้เลย